พรุ่งนี้ไปเทศที่อื่นหลวงพ่อไม่ชอบไปเทศที่อื่นหรอก เ, เทศได้ตื้นตื้นมีสาราลงชินเข า, าชั่วเพราะว่าเขาเรียนกันต่อเ น, นื่องที่สาราลุงชินเ้าก็ภาวนาดีเป็นรองที่นี่หน่อยมาเรียนที่นี่เรียนเข้มข้นเรียนให้ได้หลัก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 เห็นความจริงของมันนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพูดง่ายๆมันเป็นตัวทุกข์นั่ถ้าเห็นแจ้งอย่างนี้จิตมันจะปล่อยวางรูปนนะามวก็ประจักษ์นิพพานใ น, ะนการปฏิบัติไม่มีอะไรมากไม่ยากอะไรนะจับหลักให้แม่นๆนี่ทํำยังไงจะทําสมถะได้นะสมถะเป็นพื้นฐานให้จิตมีสมาธิเอาจิตที่มีสมาธิไปเจริญปัญญารู้รูปนามเจนกระทั่ง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 ว่าไม่ดีนั้นสายสายสาย่ทรงตัวไม่ดีสายไปสายมาเวลาว่าวติดลมบนรู้หมอย่นิ่งอย่นิ่งจิตเหมือนกันนะจิตเนี่ยมันกระทบอารมณ์ก็สายไปสายมาสายไปสายมาอารมณ์ไั้นมันไม่นิ่งเนี่ยอรมมันเปลี่ยนตลอดนะ บ, บุบบับบุบบับไปทำไงว่ามันนิ่งได้ว่ามันนิ่งเพราะมันติดอยู่ในอารมณ์มันเดียวสม่าเสมอสบายอยู่ในอารมณ์มันเดียว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 คืออารมณ์อะไรที่จิตใจยอยู่แล้วมีความสุขจิตใจไม่หนีไป จ, จิตจะพอใจ จ, จิตจะเข้าเคลียร์อยู่ในอารมณ์ น, นั้นจิตมันก็ไประลึกถึงอารมณ์ันนั้นอยู่เรียกว่ามีมิจตจิตมันเข้าเคลียร์อยู่ในอารมณ์ น, นั้นโดยไม่ได้บังคับนั่นเรียกว่าวิจารณวิจารณ์ไม่ได้แปลว่าวิภาควิจารนะไม่ได้แปลว่าคิดด้วยบงคนคนไทยแปลว่าตรองมีตกแปลว่าตรึกวิจารณแปลว่าตรองคนโบราณฟังอย่างนี้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 ใจมันยังกับเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงมันพอใจมันมีความสุขมีสมาธิเหมือนกันนะแต่มันสมาธิออกนอกหารมที่เป็นกุศลมาสักอันนะแล้วก็รู้มันไปในความสุขใจสงบอย่างหลวงพ่อชอบหายใจก่อนหายใจนั้นแต่เด็กพอหายใจแล้วมันมีความสุขเพราะน้นวิธีหายใจนะวันนี้หายใจดูต้องอย่างนี้ก่อนนะนะ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 แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนสืบทอดปฏิฐนนานโง่โ ง, ง่ไม่เคยขาดสายหรอกโ ง, ง่จริงไปบังคับใจะให้ใจสงบใจเหมือนเด็กนะยิ่งบังคับมันยิ่งดือ้อเหมือนมีเนนมาเรียนเนรดือด้อเนรดื้อทำไมเนรดือ้อผู้ใหญ่ชอบไปบังคับมันอ่ะถ้าเราหาอารมณ์ที่เนนมีความสุขใช่ไหมแต่เป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลมันค่อยๆให้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 ไม่อยากว่าโง่นะเดี๋ยวไม่ฟังไม่เพราะไม่ฉลาด น, น้อยมากแล้วนะพอจิตถอนขึ้นมานะให้คอยรู้สึกกายรู้สึกใจร่างกายอยู่ท่าไห น, นก็รู้สึกไปะนะจะเห็นเลยร่างกายที่อยู่ท่านี้อาจจะนั่งแล้วข่อเยเอียงก็ไดนะ้นั่งแล้วแข้งขายเหยียดก็ได้ไม่สําคัญหรอกไม่สําคัญว่านั่งท่าไหนนะีสํ า, าสคัญที่คุณภาพข้างในใจิตใจเป็นยังไงมีน้องร่วมสาบานหลวงพ่อต้องเรียกนี่สุตี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 จะไปเอาผลไม่ทําเหตุหลวงพ่อบอกตั้งแต่เช้าแล้วนะว่าจะเห็นนิพพานได้เนะี่ยต้องรู้แจ้งรูปนามต้องรู้แจ้งในใจในใจ น, น, น, นี่เป็นทางเดียวเลยเพราะพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเพราะฉะนั้นอยากจะถึงนิพพานที่แท้จริงนะีอย่าน้อมใจให้เฉอยอย่าน้อมใจให้นิ่งให้คอยมีสติรู้กายรู้ใจไปด้วยจิตที่ตั้งมั่น